ประวัติผู้เขียนท่านอาจารย์พรมมาวังโสเกิดที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช 2,494 ท่านหันมานับถือพุทธศาสนาเมื่ออายุ16ปีหลังจากที่ท่านได้อ่านหนังสือธรรมะขณะที่ยังเป็นนักเรียนมัธยมความสนใจในพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิภาวนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ขณะที่ท่านกำลังศึกษาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หลังจากเรียนจบท่านได้ทำงานเป็นครูอยู่หนึ่งปีก่อนตัดสินใจเดินทางมาบวชที่ประเทศไทยท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ23ปี ณวัดสเกตราชวรมหาวิหารโดยมีพระพรมกุณาพรซึ่งปัจจุบันคือสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เป็นอุปชาจากนั้นท่านได้ไปสู่สำนักของหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี มอบตัวเป็นศิษย์ศึกษาธรรมะทั้งทุดงขวัตและอบรมจิตใจในด้านวิปัสสนาธุระเป็นเวลาเก้าปีในปีพุทธศักราช2526ท่านได้รับอาราธนาให้ไปช่วยก่อตั้งวัดป่าใกล้เมืองเพิร์ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิยานและประธานทางจิตวิญญาณของพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตกท่านอาจารย์พรมวังโสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระวิสุทธิสังวรเทระเมื่อวันที่9ก้ามิถุนายน พุทธศักราช 2,549 เจบเสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นธรรมบันเทิงหลายเรื่องเล่าโดยพระอาจารย์พรหมวังโสจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง Opening the Door of Your Heart แปลโดยคุณศีวราอิสระ ให้เสียงอ่านโดยพระกรินิมลโลอ่านหัวข้อตัดต่อเสียงและประกอบดนตรีโดยวิรังรองทัพพระรังสี